การลงทุนให้ชีวิตได้กำไรคือหัดทําความพอใจในสิ่งที่เรามีความโชคร้ายของมนุษย์คือไม่รู้ว่าตนเองโชคดีปิยะโสพล จะพูดเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจาวันแต่ว่าพูดในแง่ของอุปสรรคอุปสรรคนี่ก็หมายถึงสิ่งที่กีดขวางหรือขวางกั้นไม่ให้เราบรรลุผลสำเร็จไร ว, ว่าอุปสรรคเราจะทําทอะไรก็าตามก็ย่อมที่จะมีอุปสรรคเสมอการใช้ชีวิตก็มีอุปสรรค การทํางานแต่และอย่างเนี่ยถ้าเรามีการกระทําแล้วก็ต้องมีอุปสรรคต้องมีสิ่งขวางกั้นไม่ให้เราบรรลุผลถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้ซึ่งไม่มีใครชอบอุปสรรคอยากให้มันราบรื่นเรียบร้อยอุปสรรคใน เ, นเรื่องธรรมดาอย่าว่าเป็นสิ่งที่แปลกการทํางานเนี่ยหลายคนพผชิญอุปสรรคแล้วก็อยากจะล้มเลิกอยากจะเลิกทําไปเลย ถ้าพบอุปสรรคแล้วไม่ทําต่อไปเนี่ยก็จบอยู่แค่นั้นนะงานก็ไม่สําเร็จแต่มีบางท่านนี่ไม่ท้อถอยแม้ว่างานอาจจะล้มเหลวแต่ก็ไม่ยอมล้มเลิกเตะต่อสู้อุปสรรคต่อไปพอได้ผ่านอุปสรรคไปแล้วนี่มันมีประโยชน์นะมีผลออกมาเป็นรางวัลเม็ดงามทีเดียวหมายถึงเกิดความผูกอุปถัมภใจสบายใจแล้วก็ประสบผลสําเร็จในชีวิตได้ เรื่องการทํางานการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีอุปสรรคเหมือนกันอุปสรรคการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเยอะคือคนเราเนี่ยถ้ามีศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องเจออุปสรรคเป็นระยะระยะไปอันนี้พูดถึงคนมีศรัทธาที่จะปฏิบนะัตินะบาท่านพูดถึงปฏิบัติธรรมปับ๊บเริ่มตั้งอุปสรรคไปเลยคือขี้เกียจก็มีนะโอ้บางคนถามว่าอุปสรรคการปฏิบัติธรรมคืออะไร มาท่านตอบว่าขี้เกียจกระจบกันแต่ว่าเร่องความขี้เกียจเนี่ยตัวอุปสรรคก็ใช่อยู่แต่วิธีการแก้ไขความขี้เกียจเนี่ยง่ายนิดเดียวจะเป็นการทํางานก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีนะถ้าเราเกิดความขี้เกียจล้วก็อลองเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนเป็นขยันนะถ้าเปลี่ยนเป็นขยันเนี่ยความขี้เกียจเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกขยันสัอย่างเดียวมันก็เอาชนะความขี้เกียจได้ไม่ใช่เอลองขยันดูเลย รับรองว่าความขี้เกียจไม่เกิดขึ้นแน่การทำสมาธิทำสมาธิก็หมายถึงว่าทำจิตให้เป็นหนึ่งผลคือได้ความสงบได้ความสุขแล้วก็ได้ฌานถ้าตาไปก็ไปเกิดในพมโรคเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารเหมือนเดิมนะอันนี้คือการทาสมาธิอุปสรรคของสมาธิก็มีอยู่ คนทำสมาธิจะเริ่มรู้ดีอุปสรรคของการทำสมาธิก็คือความคิดนะ่ยความคิดเกียวกับเรื่องการความอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสหรือมีความโกรธพยาบาทก็ขึ้นในจิตใจเราหรือบางทีเกิดความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาเหานอนความสลดหดหูหรือความลังเลสงสัยอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นในจิต นี่ถือว่าเป็นอุปสรรคทําให้จิตไม่สงบทําให้จิตเราไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเพราะว่าถูกความคิดความรักความเกลียดความเหงาความฟุ้งความสงสัยเนี่ยครอบงำจิตใจเนี่ยอันนี้ว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกันจิตไม่เป็นหนึ่งจิตไม่สงบอันนี้คือการทําสมาธิส่วนการเจริญสติการเจริญสตินี่ก็มีอุปสรรคเหมือนกันสติกับสมาธิต่างกันนะต้องแยกแยะ ก, กันสติ คือความระลึกได้ระลึกรู้มีผลทำให้เกิดปัญญามีสติแล้วก็จะเกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นได้นิพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่หรือในวัฏฏะสงสารมีผลที่ไม่กลับมาเกิดอุปสรรคของการเกิดสติก็คือความคิดเหมือนกัน ความคิดที่มันปรุงแต่งอยู่ในจิตใจเจ็นความลังเลสงสัยเป็นการเปรียบเทียบอาจารย์คนนู่นว่าอย่างนู้นอาจารย์คนนี้ว่าอย่างนี้ตำราก็ว่าอย่างนู้นตำราก็ว่าอย่างนี้ไม่มั่นใจเปรียบเทียบบงังเลสงสัยบ้างทำให้จิตฟุ้งซ่านจิตไม่ปกติเพราะว่ามวัวแต่คิดปรุงแต่งเพลอเพลินไปอันนี้ เป็นอุปสรรคใหญ่ทีเดียวถ้ามีความคิดปรุงแต่งแล้วก็สติไม่เกิดแต่ถ้าสติเกิดเมื่อไหร่แล้วก็ความคิดก็ดับไปเหมือนความขี้เกียจความขยันนะถ้าเกิดความขี้เกียจรับรองไม่ขยันถ้าเกิดความขยันก็ไม่ขี้เกียจสองอย่างจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะะฉนั้นความคิดเนี่ยเพราะเป็นอุปสรรคสําคัญในการเจริญสติเลยหรือบางท่านก็อาจจะเจออุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือความอยากนะ อยากที่เป็นตันหาต้องการผลการปฏิบัติอยากให้จิตมันสงบอยากให้พ้นทุกข์ไว้เพราะเกิดความยากในการปฏิบัติเนี่ยมันมีผลเสียกับด้านจิตใจทำให้เราต้องตั้งใจมากเกินไปเพ่งจะเอาให้ได้จะรู้ให้ได้เนี่ยจิตก็จะเครียดไม่ปกติครั้งแรกที่เป็นอุปสรรคใหม่ก็เป็นความหลงไปกับความคิดอันนั้นก็เป็นด้านหนึ่ง อันต่อมาก็ตั้งใจมากเกินไปหวังเป็นตัณหาจะเอาผลในการปฏิบัติเพง่งบังคับกดขม่มอันนี่ก็อีกด้านหนึ่งมันไม่ลงสายกลางได้แล้วถ้าเรายิ่งเพ่งมากๆยิ่งบังคับมากๆเนี่ยทำให้จิตเราเนี่ยไม่ปกติร่างกายก็ไม่ปกติคนที่ตั้งใจมากเกินไปสังเกตดูเถอะตั้งใจดูทีวีมากเกินไปเพง่งอะไร ห, หรือตั้งใจจิตสติมากเกินไป พอสภาวะรมอะไรเกิดขึ้นมาตั้งใจกำหนดกดข่มบังคับเนี่ยมันจะเกิดความเครียดทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเลยร่างกายมางทีเกิดอาการมึนศรีรษะปวดศรีรษะปวดเมื่อยตามต้นคอตามหัวไหล่บางทีคลื่นไส้อาเจียนไปเลยเป็นทุกข์แล้วทั้งาร่างกายจิตใจก็เช่นเดียวกันจิตไม่ปกติถ้าเราไปบังคับมากเกินไป ฟุ้งซ่านมีแต่ความลังเลสงสยัยเนี่ยเป็นทุกข์แหละเรียกว่าธรรมชาติลงโทษก็ได้เพราะว่าเราไปบังคับสภาวะธรรมต่างๆเนี่ยเลยเป็นทุกข์เนี่ยเป็นอุปสรรคสําคัญในการปฏิบัติอุปสรรคที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากความเห็นผิดของเราเห็นผิดจากกฎของธรรมชาติเช่นสิ่งที่มันไม่เที่ยงก็ใยมันเที่ยงสิ่งที่มันเป็นทุกข์ก็ให้เป็นสุข สิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้วควบคุมไม่ได้เราก็จะยพยายามควบคุมมันมันก็เลยเกิดความเครียดการเจริญสติเนี่ยไม่ต้องบังคับอะไรไม่ต้องไปอยากได้อะไรเพียงแต่เรามีสติตามรู้ลงไปที่กายที่จิตที่เขาแสดงอาการออกมาตามรู้ไปเฉยๆไม่ต้องไปบังคับอะไรไม่ต้องไปกดข่มอะไรรู้ตามที่เขาแสดงออกมา นี่มันง่ายการปฏิบัติเนี่ยถ้าวางจิตวางใจไว้ถูกต้องเราก็ง่ายรู้กายรู้จิตรู้ความคิดใจเราก็จะไม่เคลียดอย่างเช่นว่าเวลาเราเจริญสติไปเนี่ยถ้าจิตมันฟุง้งเรารู้ว่าอ๋อในจิตมันฟุ้งนะรู้แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปบังคับให้ปัญหาถ้าบังคับเป็นัญหาแสดงว่าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงก็จิตมันฟุ้งอยู่ แล้วรู้ว่าอ๋อมันฟุง้งแค่นี้ก็ได้ปฏิบัติแล้วจิตเป็นปกติแล้วเป็นปัจจุบันแล้วถ้าจิตฟุง้งแล้วเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความฟุง้งพยายามบังคับกดคมให้มันหายฟุง้งอันนี้ผิดแล้วจะเกิดความเครียดหรือบาีจิตมันสงบอ๋อเรารู้ว่ามันสงบอ๋อจิตสงบนะแค่นี้ก็ได้แนละ้วได้ปฏิบัติได้เจริญสติแล้วเป็นปกติแล้วใช้ได้แนละ้วแต่ถ้าจิตสงบ แต่เราไม่รู้เท่าทันในความสงบหลงที่อยู่ในความสงบอันนี้ยังใช่ไม่ได้คือไม่รู้ตามความเป็นจริงเนะเข้าไปติดในความสงบแค่ตามรู้สิ่งที่เขาเกิดขึ้นรู้เฉยๆสบายๆเนี่ยอันนี้ก็ได้ปฏิบัติแล้วรู้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนการใช้ชีวิตของเราถ้าว่ามีความเห็นถูกต้องเนี่ยมันจะไม่ทุกข์นะการใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกัน ก็เรามักจะพูดว่าอะไรเป็นทุกข์เพราะยากจนอันนี้ไม่ใช่นะคนจนนี่ไม่ทุกข์ก็มีนะคนรวยทุกข์มากคนจนก็มีด้า น, นความจนไม่ใช่ทําให้เราเป็นทุกข์เพราะเราเข้าใจผิดหรืออันหนึ่งก็คือเราไม่รู้หนังสือเราเป็นคนโง่เราปฏิบัติธรรมไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่หลวงพ่อเทียนนี่ไม่รู้หนังสือนะเขียนหนังสือก็ไม่ได้ผู้ภาษาไทยก็ไม่ชัด แต่สามารถปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นธรรมะได้รู้ธรรมะได้นั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องรู้ไม่รู้นั้นการที่เราเห็นว่าเป็นอุปสรรคนั้นอันนั้นคือความเห็นผิดหลวงพ่อคำเขียนท่านได้วางวิธีการที่เรื่องหมัดเด็ดไว้ว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเราจเจริญสติถ้าเจออุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยมีวิธีเดียวคืออย่าเข้าไปเป็นมันเป็นแค่ผู้ดูเท่านะั้นจบเลย พับใส่กระเป๋าได้เลยแค่ผู้ดูในอุปสรรคต่างๆเพราะว่าถึงงาตั้งปวงนี่มี2 อ, อย่างคือมีผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดู2 อ, อย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่แท้จริงนั้นก็คือความเห็นผิดถ้าเรามีความเห็นถูกต้องเราจะสามารถเปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรมไปเลยนะคืออะไรคือเห็นอุปสรรคนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดปัญญา เห็นอริยสัจสีเลยในอุปสักนั้นไอเ น, นี่ยคือเห็นถูกต้องในปาสธรามเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ